ต่างเคยมีเคยเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นแม้เป็นผู้ระลึกชาติได้ก็จะสลดสังเวชใจยิ่งนักและอาจจะสลักละวางความโลภความโกรธความหลงได้เป็นอันมากเห็นสุนัขขี้เรื้อนสักตัวแล้วลองนึกว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเช่นเดียวกันเคยกระเสาะกระเซิงเที่ยวหาอาหารกิน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 ท่านก็อธิบายว่าพระองค์ที่ถูกตีหัวแตกในชาตินี้ต้องได้ตีพระอีกองค์มาก่อนไม่ในชาตใดก็ชาติหนึ่งถ้าจะให้รับโทษที่ทำในชาตินี้ก็จะไม่สิ้นสุดเวรกรรมถ้าไม่ถือโทษความผิดในชาตินี้ก็จะเป็นอันเลิกแล้วต่อกันท่านได้ถามความสมัครใจของพระองค์ที่ถูกตีหัวแตกว่า